ตอนที่สิห้าการตั้งข้อสงสยัยราชาองค์การสามตำหนักเมื่อขบวนเสด็จของจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์หยุดลงเงาร่างหนึ่งก็เร่งรีบเดินออกมาจากตำหนักโซ่ห่วงยังไม่ทันที่หลี่จีนจะทันได้ขานรับผู้นั้นก็ตะโกนกล้องขึ้นมาเสียก่อนเหล่าทหารหานที่ประจำอยู่รอบตำหนักโซ่ห่วงต่างขานรับต่อกันเป็นท่อท่อเสียงนั้นดังสนั่นวันไหวไปถึงชั้นเมฆฝูงชนที่คุกเข่ากรับว่าอยู่เริ่มเคลื่อนไหวสีหน้าของหลายคนแปลเปลี่ยนไปในทันทีเมื่อเทียบกับเหล่าองค์ที่คุกเขา่า้านหนหสุดอย่างสู่ง นิงองชูเจิงจิงองชูสเสวียนเว่ยองชูเปียวจิงองชูจวินและองคชาย6กชูจวินที่ต่างพากันยกยิ้มที่มุมปากและกลุ่มคนอย่างเป่ากลองจงชวนอันกว๋วกงชางหลีฟูกว๋วกงหลิวหยงและแม่ทับใหญ่จินจวินหันชิงกลับมีสีหน้าที่ซับซ้อนยิ่งนักแน่นอนว่ายังมีหลงกว๋วกงซุนเหออัครเสนาบาดีฝ่ายซ้ายแห่งสำนักจงซูสวีอัครเสนาบาดีฝ่ายขวาหวางรุ่ย ทิงจางเจิ้งซื่อฉีเซิ่งและแม่ทัพจิ้นจวินสวีหุยกลุ่มคนเหล่านี้กลับดูไม่ออกว่ายินดีหรือโศกเศร้าทุกคนต่างแสดงท่าทีเพิกเฉยราวกับไม่ใส่ใจสายตาจํานวนมากจับจ้องไปที่ขบวนเสด็จจักรพรรดิผู้สืบรชาชสันติวงศ์เสด็จมายังตำหนักโซ่หงแมชูหลิงจะเป็นเพียงเด็กน้อยจริงแท้แน่นอนแต่ตามกฎระเบียบของราชวงศ์อวีเมื่อตาสิงห้องต้เสด็จสวรรคตและมีการกำหนดตัวผู้สืบรชาชสันติวงศ์ชัดเจนแล้วเขาก็คือผู้ที่มีอํานาจสูงสุดตามกฎหมาย ทว่านี้ยังไม่ทันจะผ่านพ้นพธิธีการเบื้องต้นไปเลยด้วยซ้ําแม้แต่คําว่าตามสบายก็ยังไม่ทันได้ตรัดออกมาราชองค์การสามตำหนักก็มาได้ประจบเหมาะยิ่งนะใครเล่าจะไม่คิดมากจักรพัฒน์ผู้สื่อราชสันติวงศ์หลี่จิ้นที่ตกตะกอนความตกใจเพียงชั่วครู่ขมวดคิ้วมองไปยังผู้นั้นก่อนจะก้มหน้าประสานมือทําความเคารพชูหลิงท่าทีนี้ชัดเจนยิ่งนักว่าต้องการให้ชูหลิงเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแต่คําพูดนี้หลี่จิ้นไม่กล้ากล่าวออกมา เพราะมีสายตามากมายนับไม่ถ้วนกำลังจับจ้องอยู่นี่กจะแสดงอำนาจข่มขวัญ่าสีนะชูหลิงที่ประทับอยู่บนเกี้ยวหลวงมีหรือจะมองไม่ออกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง หากในเวลานี้เขาลุกขึ้นยืนนั่นย่อมหมายความว่าเขาถูกกดข่มต่อหน้าสาธารณชนบารมีของสามโ ho จะพุ่งสูงขึ้นทันทีเกรงว่าเหล่าเชื้อพระวงศ์และขุนนางทั้งฝ่ายบุญและบูที่มาชุมนุมหน้าตําหนักโซ่ห่วงจะพากันเข้าใจว่าสถานการณ์ในราชสํานักนัจกจัดนี้ไปจะมีสามโ ho เป็นหลักและมีเขาที่เป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์เป็นเพียงส่วนเสริมสําหรับผู้ที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์และยังมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์อวิย้อมต้องผเผชิญกับการเลือกข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนขั้วอำนาจที่กำหนดไว้แล้วนั้นชูหลิงไม่เคยคิดจะดึงตัวมาเป็นพวกเพราะผลประโยชน์หลักของพวกเขานั้นลงตัวอยู่แล้วนอกจากจะถูกลาเตะเข้าที่หัวจนสมองเพี้ยนเท่านั้นถึงจะเลือกทรยศแล้วหันมารับการชักชวนจากเขาแต่หากในเวลานี้ไม่ลุกขึ้นยืนแม้จะทําให้บางคนรู้สึกประหลาดใจได้บ้างแต่ผลลัพธ์คือจะทําให้สามโฮเกิดความระแวดระวังเมื่อเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ของเขาในพระราชวังวี่หลังจากนี้เกรงว่าจะยิ่งตกเป็นรองหากถึงขั้นนั้นชูหลิงจะทําสิ่งใดก็คงยากลําบากเล่นกันแบบนี้ใช่ไหม เมื่อนึกถึงเรื่องเหล่านี้ชูหลิงก็ลออสยยิ้มในใจทางเลือกสองทางตรงหน้านี้เขาเลือกทางไหนไม่ได้เลยหักเลือกไปแล้วนอกจากจะตกเป็นรองก็ไม่มีสิ่งใดดีขึ้นมาในสถานการณ์เช่นนี้ชูหลิงจึงนึกแผนการหนึ่งขึ้นมาได้เขาเอื้อมมือออกไปหยิกต้นขาตัวเองอย่างแรงความเจ็บปวดนั้นทำให้ชูหลิงมีปฏิกิริยาตอบสนองในทันทีสเสด็จพี่น้องชายมาหาท่านแล้ว จากนั้นเสียงสะอื้นให้กระดังขึ้นขอบตาของชูหลิงเริ่มแดงระเรื่อเขาลุกขึ้นจากเกี้ยวหลวงท่ามกลางสายตาที่ตกตะกอนด้วยความมุนงงและสงสัยเขาเหยียบย่างลงบนขั้นบันไดหินแล้วมุ่งหน้าไปยังตําหนักโซ่ห่วงจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์จักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์เมื่อเห็นชูหลิงร้องให้วิ่งไปยังตําหนักโซ่หงหลี่จิน้นและผู้ติดตามต่างพากันใจหายว่ารีบวิ่งตามชูหลิงไปพร้อมกับเรียกชื่อเขาเสียงเบาด้วยความประหนกบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกลับดำเนินไปในทิศทางอื่นทําให้สีหน้าของหลายคนแปรเปลี่ยนไปและผู้ที่เปลี่ยนไปมากที่สุดก็คือคนที่ถือราชาองค์การสามตําหนักยินอยู่หน้าตําหนักโซ่ห่วงนั่นเองนี่มันไม่เหมือนกับที่เขาคิดไว้เลยสักนิดเดิมทีคิดว่าเป็นงานดีแต่ตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันกลับกลายเป็นงานเข้าเสียแล้วรับองค์การจากสามตําหนักตามใิคิดฟ้ามีรับสั่งว่าต้าสิงห้องต้ประดิษฐานลงสบหลวงณนะตําหนักโซ่หวง เมื่อเห็นชูหลิงเดินขึ้นบันไดามาทีละขั้นมุ่งตรงมายังตําหนักโซ่หงผู้นั้นก็เริ่มลนหลานไม่ทันได้คิดสิ่งใดมากไปกว่านี้รีบอ่านราชโองการออกมาทันทีแต่เมื่อเห็นชูหลิงยังคงเดินต่อความเร็วในการอ่านก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเสด็จพี่น้องชายมาสายไปแล้วในทางกลับกันชูหลิงใช้มือน้อยๆดึงชายฉลองพระองค์ไว้เดินขึ้นบันไดไปทีละขั้นพรางตะโกนเรียกด้วยเสียงสะอื้นเป็นระยะให้ความรู้สึกเหมือนน้องชายที่อะไรรักพี่ชายไม่ยอมเชื่อว่าพี่ชายได้จับไปแล้วภาพนี้ทําาาาใหห้้บรรรรยากาศเิ่มมดดูแ ป, ปะละขึนา เด็กน้อยผู้นี้บางคนที่เดิมทีไม่เห็นหัวชูหลิงเมื่อมองดูร่างที่ผอมบางของเขาเดินขึ้นบันไดไปยังตําหนักโซ่หงทีละขั้นในใจก็เริ่มเกิดความรู้สึกสะเตือนใจขึ้นมาบ้างในทางตรงกันข้ามสายตาของสุนเหอสวีชูหวางรุ่ยและคนอื่นๆที่มองไปยังชูหลิงกลับเปลี่ยนไปเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายที่คาดไว้ไม่ได้เกิดขึ้น กลับกลายเป็นสถานการณ์ที่อยู่กึ่งกลางแทนทำให้บางคนเริ่มสงสัยในใจว่าจักรพัฒน์ผู้สื่อราชสันติวงศ์ผู้นี้เฉลียวฉลาดเกินวัยหรือเพียงแค่อะไรรักในตัวต้าสิงห้องตีจัดใจจริงกันแน่หากเป็นอย่างแรกสถานการณ์ย่อมซับซ้อนยิ่งนักแต่หากเป็นอย่างหลังก็ยังพอว่าทว่าประเด็นสำคัญคือไม่มีใครสามารถคาดเดาความคิดของเขาได้ทะลุ ป, ปรุโปลงเลย ช่วขณะหนึ่งท่ามกลางฝูงชนที่เคยเงียบสงัดเริ่มมีเสียงกระซิบกระซาบวิพากวิจารผู้คนเริ่มยขยับเขยื้อนด้วยความสับสนสถานการณ์ที่ไม่ควรเกิดกลับเกิดขึ้นและนิ้วฉากนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรชื่อเส้งคังโซเทหวงเทโฮล้านชายคนโตสายรองสู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากเทจงชูหงมีเรื่องจะทุนกล้าวในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อชูหลิงเดินขึ้นบันไดมาได้สิบกว่าขั้นและผู้นั้นที่หน้าตำหนักโซ่หวงเพิ่งจะอ่านราชโองการสามตำหนักจบอย่างลนลานชูหงที่อยู่หน้าฝูงชนก็ตะโกขนข เขาคิดจะทำอะไรกันแน่เสียงตะโกนนี้ดึงดูดสายตานับไม่ถ้วนให้หันมามองแม้แต่ชูหลิงเองก็หยุดชะงักลงจากรพัดผู้สื่อพระราชสันติวงศ์เมื่อชูหลิงหยุดหลี่จิ้นและคนอื่นๆก็ตามมาทันแต่ชูหลิงกลับไม่สนใจพวกเขาเขามองลงไปยังชู่หงที่ลุกขึ้นจากหน้าฝูงชนด้วยขอบตาที่แดงก่ำภายนอกดูไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ในใจกลับเริ่มินดีขึ้นมาออกมาได้ดี ทางที่ดีก็ควรจะท้าทายค่าชี้หน้าแต่ว่าข่าไม่คู่ควรจะเป็นจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์แห่งต้าอวีจะว่าไปสําหรับฉากนี้ชูหลิงไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยแม้แต่น้อยบัลลังก์ที่ว่างลงกลับถูกคนอย่างเขาช่วงชิงไปทําให้คนอย่างชูงหมดโอกาสสําหรับพวกเขาแล้วย่อมเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างแน่นอนเซิงเลี้ยชื่อเซ้าห่วงไทโฮบุตรชายคนที่สี่สายรองของไทย้ยจงเว่ยที่ได้รับแต่งตั้งจากเทจังกระหม่อมชูเปียมีเรื่องจะทุนกล้าว ในขณะที่ชูหลิงกําลังครุ่นคิดหลังจากชูหงจบคําเสียงอีกสายหนึ่งก็ดังขึ้นชูเปียวสบัดชายเสื้อลุกขึ้นยืนเดินอาจอาจไปข้างหน้าในพริบตานั้นบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอีกครั้งห่องหฮาบุตรชายคนที่ห้าสายรองของเทจงจิงที่ได้รับแต่งตั้งจากเทจงน้องชายชูจวินมีเรื่องจะทูลกล้าวทว่าทันใดนั้นเสียงของชูจวินก็ดังขึ้นทำให้ฝูงชนที่หน้าตําหนักโซ่หงเริ่มเคลื่อนไหวอย่างโกลาหล น, นี่มีการตกลงกันไว้ลับๆสีนะเมื่อมองดูชูหง ชูเปียวและชูจวินที่ลุกขึ้นยืนเรียงกัน3าคนชูหลิงที่ยืนอยู่บนขั้นบันไดหินก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าเมื่อคืนพวกเขาย่อมต้องมีการติดต่อกันอย่างแน่นอนดังนั้นถึงแม้ตนเองจะไม่ไดแสดงยิ้มฉากเมื่อครูกเกรงว่าพวกเขาก็คงจะหาโอกาสก้าวออกมาอยู่ดีแม้ว่าชูหลิงจะยังเดาไม่ออกว่าชูหงและพวกต้องการจะทำอะไรกันแน่แต่เขาก็รู้สิ่งหนึ่งคนที่ทะนงตัวมาตลอดอย่างพวกเขาหลังจากต้าสิงห่วงตี้ส่นคัดย่อมต้องถวิลหาบลาลังนั้นไม่เสื่อมคลายแม้ในตอนนี้จักรพัฒด์ผู้สื่ ไว้แล้วแต่โอกาสที่ปรากฏขึ้นและความหวังที่เก็บงา ม, มานานกลับถูกใครบางคนทำลายลงอย่างดื้อๆไม่ว่าใครก็คงไม่สามารถวางลงได้ง่ายๆความขัดแย้งที่น่าสนใจกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว